อเอาชนะฟักทองยักษ์กับอาณาจักรสุขภาพดีเนื้อหาบางส่วนไม่เหมาะสมต่อเด็กอายุต่ำกว่า13ปีการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อนิทานปรลามปลาที่เราเคยเล่าขานการเกิดขึ้นบนโลกของเราจริงๆณนะอาณาจักรโคลอสเซียและไปทางทิ่ตะ ว, วันออกของอาณาจักรนั้นก็มีฟักทองยักษ์อาศัยอยู่ฟักทองยักษ์ ที่มีความใหญ่โตมโหฬารที่สุดเท่าที่เคยมีมาและผู้คนยังไม่รู้ว่าผักผลไม้มากมายและมันฝรั่งคืออาหารหลักของพวกเขาถึงแม้ว่ารสชาติของมันจะอร่อยแต่คาร์โบไฮเดรตส่วนเกินของมันและการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอเป็นต้นเหตุให้ประชากรเป็นโรคอ้วนสิ่งนี้จึงกลายเป็นโอกาสทองของฟักทองยักษ์ผู้ที่เห็นมาตลอดว่าเด็กๆได้รับผลกระทบจากความอ้วน และแอบจับเด็กพวกนี้มาเป็นคนรับใช้ของตัวเองเร็วเข้ามาเร็วเข้าหนูๆคงไม่อยากให้ฟักทองยักจับตัวไปตอนนี้ใช่ไหมมาแล้วครับพอ่อสิ่งนี้ทำให้ทุกคนในโคอรเสเซียเกิดความสะพรึงกลัวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชาเรเนอร์ซึ่งมีพระราชธิดานามว่าไดอาน่าทรงมีร่างท้วงเหมือนกับเด็กคนอื่นในคอรเซียเจ้าหญิงควรจะมีพ่อมดสองตนอยู่ข้างกายเสมอ ซึ่งพวกเขาจะดูแลรักษาพระองค์อยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังส่งข้อความแพร่สะพัดออกไปหากใครก็ตามสามารถเอาชนะฟักทองยักษ์ได้เขาจะได้รับการแต่งตั้งอย่างสมเกียรติพยาคาเจ้าหญิงทรงไม่เคยได้รับอนุญาตให้ออกจากวังและทรงมีพ่อมดสองตนติดสอยห้อยตามเสมอในขณะเดียวกันสารนั้นก็ถูกส่งต่อไปยังผู้คนผู้ที่ถูกปลุกปั่นให้ออกไปสู้รบโดยพระราชา แม้พวกเขาอยากจะออกไปสู้แต่พวกเขาก็ไม่เคยทำสำเร็จได้แต่คิดถึงเรื่องของฟักทองยักษ์ทางทิตะวันออกของอาณาจักรครอบครัวยากจนนามว่าปาโตคัสอาศัยอยู่บริเวณนั้นกับภรรยาเขาแดฟเน่และลูกชายเอเนียสพวกเขาเป็นเจ้าของที่ดินผืนใหญ่ใกล้กับฟักทองยักษ์ที่ที่พวกเขาได้ทำการปลูกมันฝรั่งเอาไว้ใต้ผืนดินเอเนสเองก็เหมือนกับเจ้าหญิงเช่นกัน เขามีรูปร่างอ้วนถวมครอบครัวที่ยากจนของเขาใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับการป้อนอาหารมากมายให้กับเขาแม้ว่าตัวเองแทบไม่มีอาหารพอทานด้วยซ้ำที่รักเราจะจัดการกับเรื่องเงินยังไงกันดีคะอย่าห่วงไปเลยที่รักผมต้องหาทางได้แน่แนนะ่วันหนึ่งในขณะที่ปโตคัสและเอเนียสออกไปทำไรพวกเขาขุดหัวมันฝรั่งกันอยู่ทันใดนั้นแผ่นดินก็เริ่มสั่นไหวเอให้ตาย ฟักทองยักษ์นี่วิ่งเร็วไม่พ่อผมวิ่งไม่ไหวผมเหนื่อยเกินไปโอ้ลูกรักงั้นมาแอบข้างหลังพ่อแล้วเขา้าเอนียสวิ่งไปซ่อนข้างหลังพ่อของเขาแต่มันก็ไร้ประโยชน์มันเหมือนกับว่าเขาซ่อนอยู่หลังเสาต้นเล็กๆเกท่านั้นแผ่นดินสั่นไหวและทุกย่างก้าวที่ฟักทองเริ่มเข้ามาใกล้กับชายผู้น่าสงสารและลูกชายของเขาเราจะทํายังไงกันดี ด้วยความเป็นกังวลและความตื่นกลัวปาโตคัสจึงมองไปรอบๆเมื่อฟักทองยักษ์ย่างกลายเข้ามาใกล้พวกเขาเขาจึงหยิบมันฝรั่งใกล้มือมาคล้องออกไปที่ฟักทองยักษ์มันฝรั่งลอยเข้าปากฟักทองยักษ์เมื่อปากของมันอ้าอยู่ขอโทษครับพ่อผมวิ่งไม่ไหวไม่เป็นไรลูกพ่อรักลูกนะและแล้วเจ้าฟักทองยักษ์ก็ล้มลงต่อหน้าพวกเขาพร้อมกับเสียงดังตุบพวกเขาจะรู้ไหมนะ ว่ามันฝรั่งนะ่ะคือยาพิษแกพวกยักษ์ซึ่งทําให้พวกมันลงดิ่งสู่ขุมนรกได้อะไรกันน่ะฮะนี่มันวิเศษไปเลยนางฟ้าช่วยเราแล้วดัฟเนเรียกวิ่งออกมาดูและเห็นว่าสามีและลูกของเธอปลอดภัยดีเธอจึงกอดพวกเขาโอ้ฉันดีใจจริงๆที่พวกคุณปลอดภัยแต่เราจะทํายังไงกันดีกับฟักทองยักษ์ในฟาร์มของเราล่ะฮะ เมื่อเธอกล่าวแบบนั้นฟักทองยักษ์ก็กลายเป็นขุยผงที่วิบวับได้และกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ทิ้งเอาไว้และมันร่อนลงไปทั่วทุ่งเมื่อฟักทองยักษ์ล้มลงอาณาจักรปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากกับข่าวหน้ายกย่องและทุกคนมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์ราชานี่มันเจ๋งไปเลยไอ้นอนาลูกพ่อลูกไม่จาเป็นต้องมีพ่อมดอยู่รอบตัว ต, วตลอดเวลาอีกแล้ว ตอนนี้ลูกปลอดภัยแล้วภายในอนาณาจักรของเราเองท่ามกลางความสุขและความตื่นเต้นพระราชาทรงลืมที่จะแต่งตั้งยศถาให้กับครอบครัวชาวนาจนจนผู้ที่กำลังเสียใจกับเรื่องนั้นเดฟเน่เองก็เช่นกันอย่างไรก็ตามเอนเนสแทบจะไม่คิดอะไรมากเลยหลังจากความกลัวที่ต้องเผชิญหน้ากับฟักทองยักษ์ เอเนีตัดสินใจเริ่มพลิกผันตัวเองให้แข็งแรงด้วยการทานอาหารสุขภาพอย่างผักและผลไม้ไข่ในปริมาณที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงอาหารขยะเขาเริ่มออกกําลังกายเป็นประจำและหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเขาก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นและน้ําหนักที่ลดลงวันหนึ่งเอเนียกาลังออกกําลังกายอยู่ในไร่มันฝรัง่งเขาเห็นว่ามีอวุ่นงอกออกมาทั่วทุง่งพ่อครับนั่นประหลาดจัง มีต้นองุ่นเติบโตไปทุกที่เลยใช่แล้วพ่อก็สงสัยนะว่ามันคืออะไรต้องเป็นต้นไม้ป่าที่กําลังเติบโตแน่แต่ว่าช่างมันเถอะพวกเขาไม่ได้ใส่ใจต้นองุ่นเลยและใช้ชีวิตตามปกติเช้า ว, วันรุ่งขึ้นพวกเขาออกมาที่ไร่แล้วเห็นว่าอางุ่นพวกนั้นปกคลุมหัวฟักทองอยู่โอ้ไม่ฟักทองยักษ์ลูกเดียวก็ทําพวกเราแย่แล้วแต่นี่มันศัตรูล้วนๆเลยละ่ะ การได้เห็นไร่มันฝรั่งถูกปกคุมไปด้วยสิ่งที่เหมือนหัวฟักทองยักษ์นั้นฝังอยู่ในใจของผู้คนชาวโคลอเซียแต่การที่มันไม่มีใบหน้าที่น่ากลัวและขยับขยืขย่นได้ทําให้ผู้คนพอคลายความกังวลไปได้แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปถึงแม้ว่าเอเนสจะเลือกทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่เขาก็ยังหยุดนิสัยที่มีมาตั้งแต่เด็กในการลองชิมอาหารเกือบทุกอย่างไม่ได้เขาสงสัยว่าเนื้อฟักทองรสชาติอย่างไรอืมฉันอยากจะ ลองชิมฟักทองจังเลยน่ากินวันถัดมาเมื่อพ่อของเขาออกไปทำงานเอเนสจึงออกไปยังไรตัดเอาส่วนของฟักทองออกแล้วก็ลองชิมดูโอ้นี่รสชาติดีจังเขาชิมมันอีกครั้งและไม่นานก็ทานฟักทองเข้าไปทั้งลูกเลยอร่อยจังเลยรสชาติดีมากฉันต้องไปบอกให้แม่มาลองชิมบ้างแล้วแม่ครับ ผมลองชิมหัวฟักทองไปนิดนึงมันอร่อยมากเลยฮะแม่น่าจะลองชิมบ้างนะอะไรนะลูกก็รู้ว่ามันไม่ดีที่เราจะทานของแปลกแบบนั้นลูกอาจป่วยได้นะผมรู้ฮะแม่แต่ช่วยไม่ได้จริงๆริงนี่ลูกรักลูกทำอย่างนั้นได้ยังไงนะ่ะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับลูกขึ้นมาล่ะไม่ต้องห่วงหรอกฮะผมสบายดีเย็นวันนั้นเองเมื่อปาตคาสัสกลับมาที่บ้านเขาถึงกับตกตะลึงกับเหตุการณ์นั้นโอโ้พ่อครับ อย่ากังวลไปเลยผมสบายดีพ่อเองก็ควรจะลองด้วยนะฮะมันอร่อยเด็ดไปเลยละปาโตคัสครุ่นคิดอยู่สักพักเพราะหัวฟักทองดันโผล่ขึ้นมาแทนหัวมันฝรั่งพวกเขาก็หิวโหยอย่างหนักจึงตัดสินใจที่จะลองชิมดูเพื่อต่อสู้กับความหิวทันใดนั้นเองเดฟเน่ก็พูดว่าฉันลองเอามันไปต้มดูแล้วนะลองชิมกันดูไหมเยี่ยมไปเลย พวกเขานั่งทานฟักทองต้มกันและมือพวกเขากัดเข้าไปคําแรกใบหน้าพวกเขาก็แทบเคลิ้มทันทีนี่มันยอดที่สุดฉันไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะไม่กี่วันถัดมาดัาเน่ก็ตัดสินใจใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเธอผสมผสานกับส่วนประกอบต่างๆเช่นนมน้ำตาลและเครื่องเทศและวางลงบนจานเพื่อทาพายแสนอร่อยและนามันเข้าไปอบในเตาอบ พวกเขาไม่เคยทานอะไรที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยพวกเขานั้นตื่นเต้นมากพวกเขามารวมตัวกันอยู่ที่หัวฟักทองเก็บพวกมันไว้ในห้องใต้ดินเดฟเน่อบภายฟักทองรสเลิศในทุกวันซึ่งพวกเขาก็ทานกันอย่างสุขใจวันหนึ่งเมื่อพระราชาเสด็จผ่านกระท่อมของชาวนาพระองค์ทรงได้กลิ่นอันหอมหวนของภายฟักทองพระองค์สั่งให้หยุดรถม้าทันทีไปตามหามาิ ว่ากลิ่นนั่นคืออะไรมันช่างหอมอะไรเยี่ยงนี้เมื่อเด็กรับใช้ย้อนกลับมาเขาจึงบอกว่าเอออเคภรยาของชาวนาเป็นผู้อบหัวฟักทองยักษ์พะยะค่ะอะไรกันเอามาให้ข้าจานหนึ่งเดี๋ยวนี้เด็กรับใช้ปรี่เข้าไปและนำพายมาหนึ่งชิ้นหลังจากที่ได้ลองชิม mm hmm. เขาก็นิ่งไปชั่วขณะพระราชาจึงรีบลองชิมบ้างพระองค์เสวยเข้าไปและทันใดนั้นพระองค์ก็เกิดความลหลงไหลอืม mm hmm. นี่หมันอาหารชั้นยอดไปเรียกตัวชาวนาะกับครอบครัวของเขามาปาโตคัสถูกนำตัวเข้าพบพระราชาพร้อมครอบครัวผู้ที่กำลังประม่า ก, กับเรื่องที่เกิดขึ้นไพ่นี่อร่อยเหาะเลยข้ายอยากจะมอบรางวัลและแต่งตั้งเจ้าแต่ว่ามาข้ามาก่อนสิว่าพวกเจ้าทำาพเจ๋งๆพวกนั้นได้ยังไง ปัตตคัสจึงอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นการที่พวกเขาได้หัวฟักทองยักษ์มาและวิธีการทำภายช่างล้ำลึกและเป็นผู้กล้าข้าลืมที่จะแต่งตั้งเจ้าพระราชาแต่งตั้งชาวนาด้วยความปิติยินดีพวกเขาก็ดีใจเช่นกันปัตตคัสแดฟเน่และเอนเนสจึงกลายเป็นบุคคลสำคัญของสภาหลวงโดยเฉพาะเอเนียส ผู้ที่อธิบายให้พระราชาฟังว่าการทานอาหารของเขานั้นไม่ได้มีแค่มันฝรัง่งแต่ยังรวมไปถึงผักต่างๆซึ่งก่อให้เกิดความสมดุลและสุขภาพที่ดีเกิดขึ้นไม่นานนะักพระราชาจึงทรงประกาศให้ทุกคนในอนาณาจักรรู้ถึงการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพควบคู่กันรวมไปถึงพระธิดาด้วยไม่นานนะักความอ้วนจึงลดลงผู้คนมีความกำยำขึ้นและในอนาณาจักรโคลอเซียเป็นที่รู้จักกันในนามของอนาณาจักรที่มีสุขภาพดีที่สุดในโลก